ขอความสุขความเจริญจุงมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไหายแต่ร่มพระโพธิญาณแต่การพิเศษในช่วงนี้ก็ใคร่จะประลบถึงเรื่องการเสด็จกับกันทัปนิพาน์ของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการหนึ่งสืบต่อจากการประสูตรการสัสรุคืออย่างที่บอกไว้แล้วว่า เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หือเป็นเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นด้านเหตุผลแห่งธรรมอาทิฐานที่มีการพูดว่าประสูติสัสรูนิพพานก็คือตอนสัจรู้นั่นเองประสูตก็คือเกิดเป็นพระพุทธเจ้าสัจรูก็คือเกิดญาณเกิดความรู้ขึ้นแล้วก็นิพพานก็คือกิเลสนิพพานเคือการดับกิเลส คือเป็นการพูดได้แต่ว่าไม่เป็นการละเลยข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์เพราะการนำเสนอจึงเสนอในมุมของประวัติศาสตร์ว่าในช่วงโซนนั้นมีเหตุการณ์อะไที่สำคัญสาคัญเกิดขึ้นบ้างคือถ้าเรามองเชื่อมโยงกันในมาเป็นวิพานษ์สุ ไม่มีลักษณะคล้ายๆกับจดหมายเหตุการเดินทางของพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาก็ประมาณหนึ่งปีนะครับก็เรียกว่าคงออกเดินทางก็แถวๆเดือนเจ็ดแล้วก็ไปนิพพานในเดือนหกที่กรุงกุสินาราสเสด็จออกจากปเกาคิจกูดกรุงราชครืกนนะก็ไปเรื่อยๆแล้วไป องประชนมายุสังขานที่เมืองไผศาลีเดินในพรรษานั่นเองนะก่อนที่จะองประชนมายุสังขารก็ทรงประชวดนนะักแล้วก็เดินสามก็องประชนมายุสังขานเดินสามครึ่งเนี่ยก็องประชน์มายุสังขารจากนั้นก็เริ่มเสด็จพุทธดำเนินช้าๆไปเรื่อยๆผ่านเมืองปาวาเข้ากุสินารา แต่ละตอนเนี่ยมันเป็นการสรุปรวมคำสอนหลักในพระพุทธศาสนาไว้ในตอนสุดท้ายของมาภินิพันสูตรนั่นเองพระธรรมเทศนาที่ส่งเน้นย้ำ ม, มากเนี่ยก็คือเรื่องอริยสัจสี่แล้วพอมาเน้นที่กลุ่มของอริยมรรคก็จะเน้นที่สารธรรมห้าประการ แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยคือการกำหนดให้พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงสแสดงบัญญัติไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์เป็นรูปธรรมหัดที่เราจำทรงกันแท่หลายแล้วก็น่าจะนำมาประรบกันประเหณุการทางศาสนาหลายปีมานี้ มีความแปลกแยกในด้านศีลแล้วก็ด้านทิฏฐิแล้วก็ทางกว้างออกไปเรื่อยๆจนบางเรื่องก็กลายเป็นปัญหาคาแผ่นดินประมาณร่วมสองปีมาเนี่ยคือไม่ว่าจะไปในที่ไหนก็ตามจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องวัดพระธรรมกายจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอัตตาอนัตตา จะมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับ น, นิพานแล้วไม่ใช่คำสองคำนะถามตั้งหลายครั้งก็หลายท่านด้วยกันจะาถามว่าที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดความแตกต่างกันในด้านศีลและปก็ด้านทิฏฐิที่เราเรียกว่าขาดศีลสรมมัญจ า, าคือการปฏิบัติในเรื่องศีลเนี่ยไม่เสมอกัน เพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาเรียนรู้ที่นำไปสู่ความคิดเห็นเนี่ยไม่เสมอกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระบบ ก, การศึกษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยมันส่วนมากเลยนะเปอร์เซ็น์ที่สูงมากไม่ขานกระบวนการที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แม้ระดับปริยัติศัธรรม แล้วพอมาถึงขั้นของการปฏิบัติมันก็เกิดความสับสนเพราะจะต้องมองให้เห็นหมุนเป็นวงกลมระหว่างพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเธอถามว่าเราเริ่มที่ตรงไหนที่จริงเริ่มตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเรามองตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มแสดงปฐมเทศนามันก็แสดงว่าเริ่มมาที่ตัวพระปฏิเวทภายในพระทัยของพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็เป็นเวลาสองเดือนนะฮะจากกลางเดือนหกมาถึงกลางเดือนแปดก็ เ, เวลาสองเดือนพอดีเพราะปฏิเวทศัทธรรมก็เกิดขึ้นโดยก็อยู่ในภัตถ์ยของพระพุทธเจ้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุติเป็นวิมุตติญาทัศนะพูดง่ายๆว่าคือเป็นนิพพานในตรงนั้นแหละ ที่พูดถึงห้าคำเนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าที่จริงก็คือเป็นอริยมรรคกับนิโรธศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นอริยมรรคแล้ววิมุตติริมุตติยานะทัศนะก็คือนิโรธหรือนิพพานก็อยู่ภายในประทัยของพระพุทธเจ้ามาตั้งสองเดือนแล้ว เพรเวลาส่งแสดงก็ส่งแสดงจากพระไถ่ของพระองค์ตัวหมายความรมรรคธรรมเหล่านั้นทุกคําเนี่ยมันเป็นปฏิเวทสัจธรรมอยู่โดยสถานะที่แท้จริงนะครแต่เมื่อเราศึกษาจากพระองค์รกฟังจากพระองค์อย่างพระปัญญกวคีฟังเนี่ยแล้วเข้าหูพระปัญญกวคีเนี่ยตรงนี้มันเป็นปริยัติสําหรับพระปัญญกวคี แล้วเมื่อท่านศึกษาท่านพิจารณาท่านปฏิบัติตามไปก็กลายเป็นปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นปฏิเวทหลังจากฟังอนัตตลักษณสูตรแล้วท่านก็ได้เข้าถึงปฏิเวทสัจธรรมและในปฏิเวทสัจธรรมที่ท่านเข้าถึงนั่นเองก็ตรงกับเรื่องที่ท่านเรียนมาก็หมายความว่าเช่นทรงแสดงในอนัตตลักษณสูตรว่า เจอความโดยสรุปนะฮะกาน่ายังได้ย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้าเหล่านั้นสัก์แต่ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึ่เห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้เพราะปัญจวัคคียก็เห็นชอบตามนั้นเหมือนชอบตามนั้น จิตใจาะงั่ น, นก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกับนัดนไปเรื่อยๆและในที่สุดก็เกิดญาณคือความรู้ฝุดขึ้นก็ขจัดความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าว่าของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราออกไปท่านก็บรรลุมรคลเป็นพระหันเห็นไหมว่าสิ่งที่ท่านสัมผัสนั้นก็ตรงกับปฏิเวทที่พรูพเจ้าทรงสแสดง แต่มาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะศึกษาแล้วมันเกิดสับสนกันเองระหว่างการปฏิบัติกับปริยัติคือหมายความว่าปริยัตแสดงว่าอย่างหนึ่งเราปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าเข้าถึงปฏิเวทแล้วและปฏิเวทที่ว่านั้นไม่ตรงกับปริยัติซึ่งก็ถือว่าผิดประเด็นที่ควรจะจับง่ายๆเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขิดดูระดับสมาธินี่จะเห็นได้ชัดสมาธินั้นตัวความสงบจิตเนี่ยมันไปสงบกิเลสประเภทกา ร, รมฉันทะคือจิตที่กำหนัดรักใคร่ด้วยอำนาจของกามมราคะแล้วก็กำหนัดรักใคร่ในสิ่งที่ตนพอใจนะพูดง่ายๆว่าในสิ่งที่ตนใคร่ ก็หมายความว่าคนที่เข้าถึงสมาธินั้นจะต้องไม่โลภมันก็มีได้อย่างเดียวคือถ้าโลภ ก, ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิก็ต้องไม่โลภแต่ว่าใครก็ตามที่บอกว่าฉันได้สมาธิแต่ว่าฉันก็โลภ ก, ก็หมายความว่าที่สมาธินั้นเท็จนะฮะที่โลภนันจริงเพราะโลภพิสูจน์ได้เนะะี่ย โลพิสิทธิ์ได้การขออุตรุดการเรไรยอุตรุดการเรืย ร, ย, ร, ร, ร, ย, รยสารพัดวิธีเนี่ยมันแสดงถึงความโลภแล้วไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม้แต่ศีลก็มีปัญหาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลข้อที่สองอธินาทานเนี่ยมันละเมิดละไม่มากนะพะเอาก็จริงนะ การลอบ ก, การหลอกการปลอมการแปลงการใช้กลวิธีต่างๆแล้วก็ได้มาซึงทรัพย์สินในทางที่ไม่ชอบไม่ควรเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของอธินาทานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ก็กลายเป็นปัญหาที่มีความขัดแย้งกันและการแสดงความเคารพต่อทูลหลวประพุธเจ้าเนี่ยมันจะต้องให้ความเคารพต่อพระสัทธรรมอย่างที่ สมณดดีพรมได้กล่าวไว้ว่าสัตถโมคาุกาตัปโวสร้างมุธานาสาสนังคือสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อมีความเคารพต่อพระสัทธรรมเมือ่อ ล, ลึกถึงพระสัตรธรรมเนี่ยมาลึกถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เคารพต่อพระสัตธรรม ข้อความตรงนี้มันที่จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงการเคารพต่อพระสัทธธรรมหรือคนระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงไม่มีใครที่จะให้เคารพหรอกเพรว่าใครที่ไปให้พระพุทธเจ้าเคารพเนี่ยแทนที่จะเป็นคุณมันเป็นโทษต่อคนเหล่นั้น แ, แต่ถ้าพูดถึงในพระบาลีเนี่ยท่านอธิบายไว้ว่าตอนนศิทธดาบดหรือกาลเทวินดาบด ท, ที่มาเยี่ยมเยียนราชกุมารสิทธัตถะเรื่องเลียงทรงพระเยาวกว่าอายุสีห้าวันของสมวันนั่นนะครับพระเจ้าสุโธธนะนั้นเอามาจะให้เด็กเนี่ยคือจะให้จับพระหัตถ์เนี่ยวยด้ดาบดดาบดไม่ยอบถอยลงมาข้างล่างแล้วก็ก้มลงกราบปรับเด็กบนเบานะนในเบาะ เพราะท่านรู้ท่านได้ญาณนะได้ได้ญาณระดับโลกิยะปิญดาก็รู้ว่าถ้าให้ราชกุมารไหว้ท่านเนี่ยศีรษะท่านจะแตกเป็นเจ็ดเสียงคือว่าคุณความดีของท่านไม่สามารถที่จะที่จะทรงคุณระดับคนระดับพระโพธิสัตว์อย่างนั้นไปไหว้ได้เพราะว่าพอเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะ มันก็ไม่มีอะไรให้เคารพแต่ว่าจริงๆคนเราต้องอยู่อย่างมีที่เคารพรางนสุดก็ตัดสินพระไถ่เลือกเคารพพระสัทธรรมที่พรจะองค์สรุปสัมมดีพรมได้มากราบทูลสนับสนุนว่าพุทธธรรมรนั้นถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าในอดีตตการนานไกลแล้วก็แม้พระองค์ปัจจุบันตลอดถึงองค์อนาคต่ย จะต้องเคารพพระสัตธรรมมันเป็นแบบฉบับให้พุทธบริษัทได้ถือตามปฏิบัติตามขนาดพระพุทธเจ้าอย่างเคารพพระสัตธรรมแล้วเราเป็นลูกศิษย์ปลายแถวอ่ะจะไม่ให้ความเคารพพระสัยธรรมกันเฉยๆตัว น, นี้ก็กลายเป็นแบบคือพระเจ้าจะเป็นแบบให้ก่อนเพราะความที่ท่านสามบดีพรมก่าวเนี่ยตัสมาหิอัตตกาเมนะ มาตามะปิกังกตาเพราะเหตุนั้นพุทธบริษัทผู้หวังความเป็นใหญ่สัทธโมคารุกาตบโบพึงคารบพระสัทธรรมทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ที่จริงไม่ใช่ปัจจุบันน่ะนะคือมายความมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าประนิพานเป็นต้นมา พระศาสดาในรูปตรวดลบุคคลเนี่ยไม่มีแล้วแต่ทีนี้ถ้าเรามองย้อนไปวันในสมัยที่ดํารงประชนอยู่พระองค์ก็ไม่ได้สอนในรูปเ ด, ด, ดาดลบรรดาในรูปของการจับดงไปจุ่มในปอทองแล้วเนื้อตัวจะเป็นทองพระองค์ก็ทําหน้าที่เป็นผู้ชี้บอกให้เท่านั้นเองทีนี้ชี้บอกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นลายลาักณ์อักษรเป็นคําสอนที่คนอื่นถ่ายทอดมา หรือเป็นจารีตแบบแผนที่มีคนประพฤติปฏิบัติใ้ดูเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่หรือไม่อยู่ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าปลูกเสกก็ไม่ได้เนี่ยมันผลทั้งหลายมันเกิดมาจากเหตุแล้วผลเกิดที่ไหนเหตุมันก็อยู่ตรงนั้นผลเกิดที่จิตใครเหตุก็อยู่ในจิตคนนั้น พระพุทาสนะเป็นหลักของกรรมวารชีคือกล่าวเรื่องการกระทํำนี่ยเป็นหลักการสําคัญดังนั้นพระพุทธธรรมรัตนที่รับสั่งไว้ว่าดูก่อนอานนท์ทำและวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทําเละวินัยนั้นจับเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราร่วงรับไปแล้วเนี่ยมันควรจะยึดถืออย่างเอาจริงเอาจังกันเป็นพิเศษ เป็นการศึกษาโดยความเคารพปฏิบัติโดยความเคารพแล้วก็มองผลโดยความเคารพโดยนําไปเทียบเคียงกับหลักของพระศิษธรรมถ้าลงการสมกันก็ใช้ได้ถ้าไม่ลงการไม่สมกันก็ใช้ไม่ได้แต่ปัญหาที่น้าวงใหญ่ก็คือว่าสังคมพุทธเราปัจจุบันเนี่ยมันมีความเป็นอาจริยวาสในสูง มีการยกย่องเชิดชูอาจารย์ของตัวเองซึ่งเป็นลูกศิษย์ระดับปลายแถวของพระพุทธเจ้าเนะี่ยอย่าลืมนะฮะปัจจิมสาวกมันอยู่ที่พระสุภธธัททกซึ่งเป็นปริภาชกมาก่อนนะปัจจิมสาวก ค, คนสุดท้ายมันอยู่สมัยโน้น น, นะนะเราที่จริงไม่ได้เรีย ก, กว่าพุทธไม่ได้เรีย ก, กว่าสาวกหรอก สาวกต้องฟังตรงจากพระโอษของพระพุทธเจ้าคือฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าสาวกโกะไปว่าผู้ฟังนะนะเราก็คือพุทธบริษัทเราเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นอุปัสุปเป็นอุบาสิก า, าก็คือกลุ่มพุทธบริษัทซึ่งเป็นหลักการดั้งเดิมก่อนที่จะประกาศปฐมเทศนาลงจะทรงสร้างพุทธบริษัทเพรา ะ, ะเราสืบต่อในรูปของพุทธบริษัทเนี่ย เรีว่าชื่อเรียกภาษาวลกนี่จริงๆเรียกไม่ได้เราไม่ได้ฟังโดยตรงจากพระองค์ตัวตนี้ทํำยังไงว่าจะคงเนื้อหาสารถาของพระสัทธรรมเอาไว้โดยพุทธบริษัทมีจุดประสานกันอยู่ที่พระสัษธรรมคือให้ความเคารพต่อพระสัทธรรมพระธรรมในการต่อมาเนี่ยคืออย่าลืมมาเป็นคําเรียกคําหนึ่งแต่นั้นเอง เรียกว่าธรรมิดในเรียกว่าปาพุเรียกว่าสัตทธรรมเรียกว่าธรรมะเรียกว่าศาสนาเรียกว่านวังกับาตรุสาสตเรียกได้เยอะนะแต่นั้นก็คือพระสัทธรรมที่จะต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ในการต่อมาเมื่อสังคขยาครั้งที่สามเนี่ยท่านก็เรียบเรียงขึ้นมารวบรวมนะที่จริงก็เรียบเรียงโดยการร้อยกรอง ตการสาธยายแต่ยังไม่ถึงก็กีดเขียนขึ้นพี่จริงก็มีการเขีย น, นในอินเดียสมัยพระเจ้ากนิตกะมาราชแล้วก็ของเราเองสายเทราวาตเองนี่มาเขียนขึ้ น, นในลังกาก็พอสอประมาณสี่ร้อยกว่าเราก็เรียกอ่าปฐยวิศกแล้วก็สามารถจะเรียกอย่างอื่นได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ย เพีงแต่เปการรวบรวมเรียบเรียงขึ้นในในยะหนึ่งเพื่อพูดกันง่ายขึ้นเนี่ยเราก็เรียกว่าปฏิบติก็หมายถึงพระศัทธธรรมหมายถึงปาพตหมายถึงพระธรรมวินยัยหมายถึงนวังกษัตริศาสตร์ทีนี้ปัญหาว่าทำไมว่าเรียนหนังสือเล่มเดียวกันแจึงเข้าใจไม่ตรงกันนี่คือปัญหาตั้งแต่ต้นนะฮ ปัญหาลักษณะาทางโครงสร้างคือเรามีความเป็นอาชีววัตสูงแล้วการบริหารศาสนานี่เราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวที่เป็นรู ป, ปรธรรมและต่อเ น, นื่องเนี่ยระยะมันสั้นมากคือสมัยสมเด็จพระมหาสนาเจ้ากรมยาวิชา์ยโรดในการต่อมามันก็สบายๆไปอย่างนั้นเองคือไม่ได้ทุ่มเทลงไปจริงๆ แล้วการศึกษาก็อยู่แค่ความจำจำบางทีก็จำแบบนกแก้วนกขุนทองคือพระเจ้าทรงเรียงไว้เป็นห้าระดับแต่เราเราไปแค่สามระดับแต่นั้นเองคือศึกษาด้เรียนรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วก็มีการส่งจำเอาไว้แล้วก็บางอย่างที่เป็นข้อเป็นหลักเป็นสูตรสำคัญเนี่ย เราจะท่องเอาคือ จ, จํเจนโพรมีหานสีอิติปัสสซี่ห้าะอะไรแนตะ่หนก็ท่องอย่างไ น, นโดยไม่นำไปมานาสานนเบกคืตาคือไม่นำไปคิดแล้วจนเกิดเป็นการขบเจาะโดยทิฏฐิู่ความคิดเห็นเพราะว่าที่จริงธรรมะเหล่านี้มันเป็นปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งที่ทรงแสดงสดร้องกับพื้นฐานจริตตยาสายฟงผู้ฟังในกรณีเหล่านั้น ในภาคปฏิบัติจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะพูดธรรมะเยอะเวลาเขาปฏิบัติเนี่ยจับกัดสักข้อหนึ่งอ่ะข้อไหนก็ตามแล้วเขาจะทําปฏิกิริยาต่อกันเองแล้วจะดึงดูดส่วนที่เป็นกลุ่มเดียวกันเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนกันโดยอัตโนมัติหรือยกตัวอย่างเช่นเร า, านั่งฟังเทศ ถามว่าเฉพาะฟังจริงหรือมันไม่จะฟังอย่างเดียวนะฮะคือถ้าตั้งใจฟังแล้วเนี่ยมันมีการฟังมันมีการกำหนดข้อความมันมีการพิจารณาข้อความมันจะเกิดเป็นความเข้าใจเป็นลำดับไปแล้วก็ต้องมีความเพียรมีสัจจะมีขันติความอดทนมีปัญญาพิจารณามีสติระลึกรู้ มีอธิษฐานคือจิตใจมั่นคงมีสมาชิคือสงบแน่แ น, แนยเรื่องตรนั้นธรรมะมันเยอะขนาดฟังเทศครั้งเดียวเนี่ยแต่ว่าเขามันไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดคล้ยๆกับพูดว่ากินข้าว่ะเนี่ยมันไม่ได้พูดว่ากินแกงกินกับกินอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดไม่ต้องพูดออกมันรู้กันการธรรมะปฏิบตัติมันก็มันจะมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้เวลนี้เรายัางยึดติดในเชิงที่เป็นรูปแบบอยู่นี่เยอะ ก็ทำให้เกิดปัญหามีการถกเถียงมีการอภิปรายมีการขัดแย้งกันที่จึงเป็นการขัดแย้งกันในเชิงรูปแบบไม่ได้ขัดแย้งกันในเชิงที่เป็นเนื้อหาเพราะเนื้อหามันจะลวมกันเองไม่ได้แปลกอะไรอย่างที่บอกว่าแม่น้ำร้อยสายเนี่ยมันก็ลงทะเลแล้วก็เป็นน้เค็มด้ยกันปนัญหาตรงนี้จึงเป็นปนัญหาสาคัญ เทศกาลวิสาข บ, บญชานั้นจะมีการอภิปรายจะมีการตอบปัญหาจะมีการปากฐกถาจะมีการจัดนิทรรศการแล้วก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆนี้จะหลากหลายมากแต่ว่ามันจะต่างในเชิงรูปแบบการ น, นำเสนอเท่านั้นเองเนื้อหาสาระนั้นต้องลงกันสม ก, นกันกับหลักของประไับปิดดุ นั่นเกี่มเป็นการศึกษาที่สามารถจะเลือกได้นะเราถนัดอย่างไรเราพอใจอย่างไงเนี่ยก็ศึกษาเรียนรู้ในลักษณะนั้นคนที่ไม่สามารถจะไปก็อาจจะดูที่โทรทัศน์อาจจะฟังวิทยุซึ่งหลายสถานีเวลาเนี่ยมีในร่วมเกิดขึ้นมากแล้วก็ช่วยเหลือเผยแพร่กันในช่วงเทศกาลวิสาขาบูชาเนี่ย พระาะงนั้นก็ถือว่ามันอา จ, จะเกิดวิกฤตในตอนต้นนะฮะแต่กลายเป็นโอกาสที่ดีในตอนต่อมาแล้วก็ตอนต่อๆไปตลอดทถึงปีต่อๆไปเป็นภารากิจคือคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้นเป็นผู้ประสานเท่านั้นเองแต่างานจะสำเร็จรุ่วงเป็นรูปธรรมเป็นกระบวนการศึกษาปฏิบททัติเผยแผ่ดูแลรักษ า, าศาสนาได้หรือไม่นั้น มันอยู่ที่กุศลลเจตนาของพุทธศาสนิกชนที่จะร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามพระพุทธพฏิฐานเป็นประการสาคัญั้งฟังทั้งหลายแต่รวมประโฑียานในการพิเศษในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตมัมเที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง่อ ง, งามไยบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี